บทสรุปความสําคัญของพระไตรปิฎกเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ความสําคัญของพระไตรปิฎกอาจกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้หนึ่งพระไตรปิฎกเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งพุทธพจน์คือพระดารัสของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้เองเท่าที่ตกทอดมาถึงเรามีในพระไตรปิฎก เรารู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎก 2. พระไตรปิฎกเป็นที่สถิตของพระศาสดาของพุทธศาสนิกชนเพราะเป็นที่บรรจุพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์เราจะเฝ้าหรือรู้จักพระพุทธเจ้าได้จากพระดํารัสของพระองค์ที่ท่านรักษากันไว้ในพระไตรปิฎก 3. พระไตรปิฎกเป็นแหล่งต้นเดิมของคําสอนในพระพุทธศาสนาคําสอนคําอธิบายคาภีหนังสือตาราที่อาจารย์และนักบาชทั้งหลายพูดกล่าวหรือเรียบเรียงไว้ที่จัดว่าเป็นของในพระพุทธศาสนาจะต้องสืบขยายออกมาและเป็นไปตามคําสอนแม่บทในพระไตรปิฎกที่เป็นฐานหรือเป็นแหล่งต้นเดิม สพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานอ้างอิงในการแสดงหรือยืนยันหลักการที่กล่าวว่าเป็นพระพุทธศาสนาการอธิบายหรือกล่าวอ้างเกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนาจะเป็นที่น่าเชื่อถือหรือยอมรับได้ด้วยดีเมื่ออ้างอิงหลักฐานในพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุดห้า พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบคําสอนในพระพุทธศาสนาคําสอนหรือคํากล่าวใดๆที่จะถือว่าเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนาได้จะต้องสอดคล้องกับพระธรรมวินัยซึ่งมีมาในพระไตรปิฎกแม้แต่คําหรือข้อความในพระไตรปิฎกเองถ้าส่วนใดถูกสงสัยว่าจะแปลกปลอมก็ต้องตรวจสอบด้วยคาสอนทั่วไปในพระไตรปิฎก หพระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถือและข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาความเชื่อถือหรือข้อปฏิบัติตลอดจนพฤติกรรมใดๆจะวินิจฉัยว่าถูกต้องหรือผิดพลาดเป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็โดยอาศัยพระธรรมวินัยที่มีมาในพระไตรปิฎกเป็นเครื่องตัดสินด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกจึงเป็นกิจสําคัญยิ่งของชาวพุทธถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาหรือเป็นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนากล่าวคือถ้ายังมีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกเพื่อนําไปใช้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็ยังดำรงอยู่แต่ถ้าไม่มีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกแม้จะมีการปฏิบัติ ก็จะไม่เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะไม่ดำรงอยู่คือจะเสื่อมสูญไปนอกจากความสำคัญในทางพระศาสนาโดยตรงแล้วพระไตรปิฎกยังมีคุณค่าที่สำคัญในด้านอื่นๆ อ, อีกมากโดยเฉพาะหนึ่งเป็นที่บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อถือศาสนาปรัชญา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเรื่องราวเหตุการณ์และถิ่นฐานเช่นแว่นแควนต่างๆในยุคอดีตไว้เป็นอันมาก 2. เป็นแหล่งที่จะสืบค้นแนวความคิดที่สัมพันธ์กับวิชาการต่างๆเนื่องจากคำสอนในพระธรรมมวินัยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวโยงหรือครอบคลุมถึงวิชาการหลายอย่างเช่นจิตวิทยากฎหมายการปกครองเศรษฐกิจ เป็นต้น 3. เป็นแหล่งเดิมของคาศัพท์บาลีที่นามาใช้ในภาษาไทยเนื่องจากภาษาบาลีเป็นรากฐานสำคัญส่วนหนึ่งของภาษาไทยการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกจึงมีอุปการะพิเศษแก่การศึกษาภาษาไทยรวมความว่าการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก มีคุณค่าสำคัญไม่เฉพาะแต่ในการศึกษาพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่อำานวยประโยชน์ทางวิชาการในด้านต่างๆมากมายเช่นภาษาไทยภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาโบราณคดีรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศาสนาประชญาและจิตวิทยาเป็นต้นด้วย แต่นับว่าเป็นเรื่องแปลกและน่าใจหายที่คนสมัยนี้กลับไม่เข้าใจว่าพระไตรปิฎกคืออะไรทำไมต้องรักษาพระไตรปิฎกทำไมต้องเอาพระไตรปิฎกมาเป็นมาตรฐานหรือเป็นเกณฑ์วินิจฉัยว่าอะไรเป็นธรรมวินยัยอะไรเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหากปราศจากความเข้าใจพื้นฐานเช่นนี้ซะแล้วบางคน ก็อาจไปไกลถึงขนาดที่ทึกทักเอา ผ, ผิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าอย่างไรก็ได้นอกจากนี้ยังมีความสับสนระหว่างตัวหลักการของพระศาสนาเองกับความคิดเห็นส่วนบุคคลความสับสนนี้ซึ่งก็คงเกี่ยวเนื่องกับปัญหาแรกย่อมนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายอย่างแน่นอนถ้าเราถามว่า พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรหรือสอนเรื่องอะไรว่าอย่างไรเราก็ต้องไปดูพระไตรปิฎกเพื่อหาคำตอบเพราะเราไม่มีแหล่งอื่นที่จะตอบคำถามนี้ได้แต่ถ้าเขาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้แล้วคุณจะว่าอย่างไรเราจะคิดอย่างไรก็เป็นสิทธิของเราเป็นเสรีภาพของเรา ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแม้แต่ในกรณีหลังเพื่อความเป็นธรรมต่อพระศาสดาเราก็ควรจะศึกษาคำอธิบายของท่านในคำภีต่างๆให้ชัดแจ้งก่อนแล้วจึงมาสรุปสิ่งที่ศึกษามาแล้วถ้าสรุปดีก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนสรุปไม่ดีก็ผิดพลาดก็ต้องศึกษาค้นคว้าต่อไป แต่อย่างน้อยก็ต้องแยกให้ชัดอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรก็ว่าไปตามคำสอนของพระองค์โดยซื่อสัตย์แล้วเราเห็นว่าอย่างไรก็ว่าไปตามอิสระที่เราเห็นแต่เวลานี้คนว่ากันนุ่งนางสับสนไปหมดที่จริงนั้นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจนแน่นอน และไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของความคิดเห็นหรือคาดเดาแต่เป็นเรื่องของหลักฐานที่ชาวพุทธถือกันว่ามาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงคือมาในพระไตรปิฎกและมีคำภีอัตถคถาเป็นต้นอธิบายประกอบซึ่งชาวพุทธทุกยุคสมัยถือว่าเป็นเนื้อเป็นตัวของพระาศาสนาเป็นหลักสาคัญที่สุดและได้เพียรพยายามอย่างยิ่ง ที่จะรักษาไว้ให้แม่นยำด้วยการทรงจำศึกษาเล่าเรียนและมีการสังคยนาเป็นงานใหญ่หลายยุคสมัยตลอดมาใครก็ตามที่กล่าวอ้างว่าตนปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระไตรปิฎกก็คือพูดว่าตนปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเมื่อเขาปฏิบัติโดยไม่อาศัยคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า เราจะเรียกการปฏิบัตินั้นว่าเป็นพระพุทธศาสนาได้อย่างไรแน่นอนว่านั่นเป็นการปฏิบัติลัทธิความเชื่อหรือความคิดเห็นของตัวเขาเองหรือของใครอื่นที่คิดข้อปฏิบัตินั้นขึ้นมาหรืออย่างดีก็เป็นความที่เอามาเล่าต่อจากพระไตรปิฎกแบบฟังตามๆกันมาซึ่งเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน ดังนั้นชาวพุทธทุกคนจึงควรเฝ้าจับตาร ะ, ว, ระวังบุคคลสองประเภทคือหนึ่งประเภทที่สร้างความสับสนระหว่างพุทธพจน์ที่แท้กับความคิดเห็นของตนโดยอ้างเสรีภาพทางวิชาการแฝงมาในรูปที่เรียกว่างานวิจัยทางวิชาการและสองประเภทที่อ้างว่า สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าบุคคลสองประเภทนี้ซึ่งหาได้ไม่ยากนักในสังคมปัจจุบันของเราย่อมสามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อพระศาสนาในระยะยาวได้โดยแท้ยิ่งเมื่อมีผู้คล้อยตามด้วยหลงเชื่อโดยง่ายเป็นจำนวนมากเราจึงควรตื่นตัวต่อภัยคุกคามและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา ด้วยการส่งเสริมสัมมาปฏิบัติโดยอิงอาศัยคำสอนที่แท้ซึ่งเราจะต้องช่วยกันรักษาให้บริสุทธิ์อันที่จริงถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันมาฟื้นฟูชาวพุทธให้กลับไปสู่พระธรรมวินัยให้รู้จักศึกษาพระไตรปิฎกกันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งอย่างที่กล่าวแล้วก่อนหน้านี้ปราร์ดไดที่พระไตรปิฎกยังมีอยู่ ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่พระพุทธศาสนาอันเป็นของแท้ดั้งเดิมดังนั้นตราบใดที่ยังมีพระไตรปิฎกอยู่เราก็ยังมีโอกาสที่จะรู้จักพระพุทธศาสนาและได้รับประโยชน์ที่แท้จริงที่พึงได้จากพระศาสนาอันประเสริฐนี้จึงหวังว่าพระไตรปิฎกบาลีจะเป็นสื่อที่เสมือนพระธรรมทูต ผู้จาริกไปกว้างไกลโดยทำหน้าที่แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางและงามตราบสุดท้ายตามพระพุทธโอวาทที่ทรงส่งพระสาวกรุ่นแรกไปประกาศพระศาสนาเพื่อให้สำริดจุดหมายแห่งการแผ่ขยายประโยชน์สุขแก่พระหูชนคือประชาชาวโลกทั้งมวลสืบไปจบ เสียงอ่านหนังสือพระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้พระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตเสียงอ่านโดยโจโฉ ช, ชมรมพลดีจัดทําเพื่อเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานจุดประสงค์สําหรับการทําหนังสือเสียงเล่มนี้เพื่อประกอบความเข้าใจก่อนฟังพระไตรปิฎกฉบับประชาชนและฉบับเต็มที่ทางชมรมกําลังจัดทำหากอ่านผิด หรือมีความผิดพลาดประการใดทำสิ่งใดไม่สมควรกราบขอขมาแด่พระรัตนไรและกราบขออภัยทุกท่านเวนะตรงนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยสําหรับการอ่านภาษาทางศาสนาในสื่อทุกชุดที่จัดทำออกมาอาจมีผิดพลาดหรืออ่านผิดได้ด้วยความที่ผู้อ่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาและหลายคาเป็นศัพท์เฉพาะ บางคำหนังสือพิมพ์ผิดบางคำอ่านได้หลายอย่างขอทุกท่านได้โปรดฟังผ่านๆยึดเอาเพียงสาระสาคัญเป็นหลักเท่านั้นนะครับอย่ายึดถือเอาการอ่านที่ได้ยินนี้เป็นแบบอย่างโปรดตรวจสอบกับครูบาอาจารย์ผู้รู้หรือหาเวลาอ่านจากหนังสือจริงอีกทีนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงรุง่งเรืองในทางกุศลยิ่งขึ้นไปบรรลุธรรมในชาตินี้ ด้วยการฟังสิ่งที่เป็นหัวใจศาสนาให้ครบก่อนแล้วลงมือปฏิบัติจเจริญสติปัญฐานในชีวิตประจำวันรู้กายรู้ใจจนเห็นจิตนี้เป็นทุกข์ไม่คงทนไม่เที่ยงมีความรวนแรจิตนี้ไม่ใช่เร า, บ, ารบังคับบัญชาไม่ได้สำเร็จอริยมรรคอริยผลในเร็ววันภายในชาตินี้ทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีโจโฉ ช, ชมรมผลดี มีนาคมพุทธศักราช2560